ท่านเปรียบอีกอย่างหนึ่งนา ม, มารูปเปรียบเหมือนไม้อ้อสองอันยันกันไว้ทีนี้เมื่ออันหนึ่งล้มอันหนึ่งก็ทรงตัวอยู่ไม่ได้นามกับรูปก็อาศัยกันอย่างนี้หรือนา ม, มารูปเปรียบเหมือนกลองและเสียงกลองเมื่อเอาไม้ตีกลองอาศัยหน้ากลองและไม้จึงมีเสียงปรากฏขึ้นความจริงแล้วกลองก็อันหนึง่งเสียงก็อีกอันหนึ่ง กลองกับเสียงไม่ได้ปะปนกันฉันใดเมื่ออาศัยรูปคือวัตถุบ้างทวารบ้างอารมณ์บ้างนามจึงเป็นไปได้ที่จริงแล้วรูปก็อันหนึง่งนามก็อันหนึง่งเหมือนกลองกับเสียงกลองตัวกลองอันหนึง่งเสียงก็อันหนึง่งอาศัยคนตีก็มีเสียงกลองการพิจารณาเรื่องนา ม, มารูป เป็นนามรูประปริเฉ ท, ทยานถ้าปฏิบัติไปแล้วรู้สามารถแยกได้อย่างนี้เรียกว่านามรูประปริเฉ ท, ทยานที่จริงก็ควรจะมีโยนิโสมนสิการไว้เสมอคือปฏิบัติอยู่เสมอคำานึงอยู่เสมอกำหนดอยู่เสมอว่านั่นคือรูปนี่คือนาม เหมือนกับว่ามีวิปัสนาจิตยอยู่เสมอไม่ต้องไปเข้าพิธีกรรมก็ได้ด้วยปกติใช้กับชีวิตธรรมดาในชีวิตประจำวันแต่ทีนี้มันอาจจะกำหนดไม่ทันเพราะสติมันตามระลึกไม่ทันก็ต้องเจริญสติไปด้วยสมมติว่าได้ยินเสียงคนดา่าพอเสียงด่ามากระทบหูปุ๊บมันปรุงแต่งเรียบร้อยเลยโทสะเกิดทันที ก็ต้องนึกไปถึงเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทรงโอวาทพระภาหิยะดิเดิธรรมัตังสุเตสุ ต, ตรัมะตังเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินไม่มีอัตตสัญญาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคำว่าสักแต่ว่าเป็นยังไงมีสองปริยายหนึ่งปริยายทางโลก สักแต่ว่าแปลว่าไม่เอาไหนคือสักแต่ว่าทำทาลวกลวกไม่ได้ตั้งอกตั้งใจที่จะทำให้ดี2ปริยายทางธรรมเป็นของดีคือไม่มีตัณหาโอปาทานเข้าไปยึดเกาะในสิ่งนั้นกินสักแต่ว่ากินคือกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ไม่ได้ติดในรสอาหารคือเข้าถึงจุดมุ่งหมายเดิม ไม่ใช่แปลว่ากินเหมือนไม่ได้กินคือเอาคุณค่าแท้ของอาหารเป็นหลักไม่ใช่คุณค่าเทียมแต่งตัวก็เหมือนกันสักแต่ว่าแต่งให้มิดชิดป้องกันหนาวร้อนปิดบังความละอายสักแต่ว่าคือไม่ยึดติดแล้วก็ปล่อยวางมีพระบางรูปท่านว่าห่มสักแต่ว่าหม่มแล้วจีวรท่านไม่ซักเลย อันนี้พระพุทธเจ้าท่านห้ามผิดวินยัยท่านต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นสมมติสัจจะอะไรเป็นปรมาทสัจจะสักแต่ว่านี่เป็นปรมาทสัจจะแต่ท่านยังอยู่ในโลกของสมมุติอยู่ด้วยจีวรไม่สะอาดหรือปล่อยให้จีวรเหม็นสาบนี่เป็นอาบัตต้องรู้อันนี้ด้วยวินัยก็คือวินยัยธรรมก็คือธรรมธรรมต้องรู้วินัยก็ต้องรู้ ในด้านธรรมท่านก็ยังแยกเป็นฝ่ายสมมุติสัจจะและประมามัตศสัจจะเพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นเดี๋ยวสับสนตีกันยุ่งไปหมดยานที่สองเรียกว่าปัจจยะยปริคหายานหรือปัจจัยปริคหายานแปลว่ายานกาหนดเหตุปัจจัยคือรู้ว่าผลทั้งหลายเนื่องมาจากเหตุ เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆทรงเสวยวิมุตติสุขทรงเปล่งอุทานว่าเมื่อใดทมทั้งหลายปรากฏแก่พรามพรามในที่นี้หมายถึงผู้รู้โดยเฉพาะหมายถึงพระขีณาสพปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นก็หมดสิ้นไป เพราะมารู้แล้วว่าทมทั้งหลายหรือสิ่งทั้งหลายย่อมเกิดแต่เหตุยดาฮาเวปาตุพวันติธรรมมาอาตาปิโนชายโตบรามนัสสะอทัฏฐะกังขาวาปยันติสั บ, บายโตปชานาติเสเหตุธรรมังและตอนหลังทรงเปล่งอุทานเหมือนกันกับว่าอื่นๆ ต่อมาเปลี่ยนแต่วักสุดท้ายว่าเพราะมารู้ความสิ้นไปแห่งเหตุปัจจัยนี่คือเรียกว่าได้รู้แล้วในสิ่งนี้คือท่านได้ผ่านสิ่งเหล่านี้มาเรียบร้อยรวมความว่าเป็นญาณที่กําหนดรู้เหตุผลว่าผลเกิดเพราะมีเหตุและผลดับเพราะสิ้นเหตุปัจจัยรูปกับนามนั้นเป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน บางทีนามเป็นเหตุรูปเป็นผลเช่นว่าคนที่ใจเป็นทุกข์สีหน้าก็เศร้าหมองอันนี้เรียกว่านามเป็นเหตุรูปเป็นผลนอกจากจะเสียแส้ก็เพราะว่าใจเสยแส้ก่อนบางทีรูปเป็นเหตุนามเป็นผลเช่นร่างกายหิวเพราะหมดเหตุปัจจัยคืออาหาร ก็ทำให้จิตใจกระวนกระวายห ง, งุดหงิดฟุ้งซ่านโกรธง่ายเป็นต้นยานที่กาหนดรู้เหตุรู้ผลอย่างนี้เรียกว่าปัจจยะปริฆาญก า, ารกาหนดรู้ปัจจัยของนามและรูปก็คือรู้ว่ารูปประธรรมและนามธรรมเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรและรูปนามเป็นปัจจัยแก่กันอาศัยแก่กันด้วย ยานที่สองนี้จะตรงกันกับกังขาวิตรณนวิสุทธิในวิสุทธิเจคือในกังขาวิตรณวิสุทธิท่านจะอธิบายเรื่องนี้ไว้เยอะเพื่อให้พิจารณาเรื่องกรรมและผลของกรรมด้วยเกี่ยวกับปัจจยะยาปริฆาญานโยงมาถึงเรื่องกรรมและผลของกรรมด้วยทีนี้ว่ากําหนดรู้ว่ารูปธรรมนามธรรมเกิดจากปัจจัยอะไร จะกำหนดรู้อย่างไรสมมุติว่าในแง่ของรูปธรรมจะกําหนดรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดรูปธรรมอันนี้เรื่องเยอะเลยเราลองโยงมาถึงเรื่องกรรมดูว่าอะไรเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยอย่างไรสมมุติว่าเราได้รูปมาอย่างนี้ก็แสดงว่ามีเหตุมีปัจจัยให้เราได้รูปมาอย่างนี้ก็เรื่องของกรรม ตัวกรรมนั่นแหละเป็นเหตุให้เราได้รูปมาอย่างนี้วันนี้ได้ยินเสียงดา่าเป็นนามธรรมมันก็มีเหตุปัใจจัยให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเน้นไปในเรื่องตำเช่นกรรมและวิบากเป็นไปอยู่วิบากเกิดแต่กรรมพบใหม่ก็มีขึ้นเพราะกรรมนี่นามรูปคือมีพบใหม่ขึ้นเพราะกรรม โลกก็วนเวียนอยู่อย่างนี้เพราะมีกรรมมองให้ลึกลงไปอีกไม่มีสัตว์บุคคลเป็นผู้ทากรรมหรือว่าเสวยผลของกรรมมีแต่เหตุกับผลสามารถจะล่วงพ้นความสงสัยวิจิกิจฉา16ประการเช่นได้วิจิกิจฉา16ประการเป็นอดีตหอนาคตหปัจจุบันหเช่นยกตัวอย่างสั้นๆ วิจิกตรฉาในอดีตเช่นในอดีตเราได้มีไหมหนาในอดีตเราไม่ได้มีหรือหนาในอดีตเราได้เป็นอะไรหนาในอดีตเราได้เป็นอย่างไรหนาในอดีตเราเป็นอะไรแล้วได้เป็นอะไรหนามันจะโยงเข้าหาเรื่องพวกนี้นะครับวิจิกิจฉาในอนาคตห้าอย่างว่า ในอนาคตเราจักมีหรือหนอในอนาคตเราจกไม่เป็นหรือหนอในอนาคตเราจักเป็นอะไรหนอในอนาคตเราจะเป็นอย่างไรหนอในอนาคตเราเป็นอะไรแล้วเราจักเป็นอะไรหนอวิจิกิจชาในปัจจุบันหว่าเรามีไหนอเราไม่มีหรือหนอเราเป็นอะไรหนอ เราเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาแต่ไหนหนอเขาไปไหนหนอนี่อยู่ในปัจจัยปริคหายานทั้งนั้นฉะนั้นจึงต้องโยงไปถึงเรื่องกรรมพอลึกลงไปท่านจะบอกว่าผู้กระทำกรรมก็ไม่มีผู้เสวยวิบากก็ไม่มีทำล้วนล้วนเป็นไปอยู่นี่คือทัศนะที่ถูกต้อง อันนี้คือต้องการให้เห็นเหตุผลนะครับคือว่าละลายตัวตนออกไปไม่มีผู้กระทํากรรมไม่มีผู้เสวยผลของกรรมคือไม่เอาตัวตนไปรองรับสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ให้มองดูว่ามีเหตุกับผลเมื่อมีปัจจัยครบถ้วนมันก็มีเหตุมีผลออกมาอันนี้ก็ต้องการให้ถอนอัตตสัญญาออกเสียคือให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลเท่านั้น ไม่ให้สร้างตัวเอาไปรองรับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเรียกว่าสอนให้ละอัตตานั่นเองเรื่องกรรมนี่ก็มีเรื่องน่าสนใจที่ท่านกล่าวเอาไว้เช่นว่ากรรมไม่มีในวิบากวิบากก็ไม่มีในกรรมแปลว่าทั้งสองอย่างนั้นศูนย์ซึ่งกันและกันอัญญมันยังอุโพสุญญา ทั้งสองอย่างนั้นเป็นของศูนย์ซึ่งกันและกันแต่ว่าเว้นกรรมเสียผลก็มีไม่ได้เหมือนกับไฟไม่มีในดวงอาทิตย์ไม่มีในแก้วมณีไม่มีในโคลไม้ี่หัวแหง้งที่เขาใช้ทาเป็นเชื้อไฟแต่ว่าเมื่อเอาทั้งหมดนั้นมารวมกันก็เกิดเป็นไฟขึ้นกรรมไม่มีในวิบากวิบากก็ไม่มีในกรรมอธิบายให้ฟังง่ายก็ ไฟไม่มีในหินในนุ่นและในเหล็กพอเอาเหล็กมาตีกับหินแล้วเอากระบอกซึ่งยัดนุ่นไปรับประกายไฟก็เกิดขึ้นแล้วก็มาติดในนุ่นทํานองนี้ครับคืออาศัยการเกิดขึ้นเป็นปฏิจจสมุปบาทยังในปรัชญาอินเดียหม้อดินไม่มีในดินแต่อาศัยดินและช่างทำหม้อหม้อดินจึงเกิดขึ้น จะไปหาหมอ่อดินในดินก็ไม่เจอนี่คือกรรมไม่มีในวิบากวิบากไม่มีในกรรมแต่อาศัยกรรมวิบากก็เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องของยานที่สองยานที่สามสัมมัสณาียานยานกำหนดพิจารณาไตรลักษณ์คือพิจารณารูปนามนั่นเองไม่พ้นไปจากรูปนาม โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยปกติธรรมดาเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่บ้างแล้วนะครับแต่ว่าในวิปัสสนาก็จะเห็นมากขึ้นความเจ็บปวดเมื่อยขบของรูปขันจะปรากฏชัดเจนมากขึ้นสำหรับผู้ที่ทำวิปัสสนาแต่พอสมาธิดีขึ้นจิตสงบลงความเจ็บปวดต่างๆก็จะหายไป ผูบ้บำเพ็ญวิปัสสนาจะเห็นความไม่เที่ยงของรูปธรรมความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาของรูปนามอยู่เสมอแต่ในขั้นนี้ต้องใช้ความคิดบ้างพอสมควรพูดถึงไตรลักษณ์โดยปริยัติมีสมโดยปฏิบัตมีหนึ่งโดยปฏิเวทมีสมโดยปริยัติมีสมคืออนิจจังทุกขังอนตัตต โดยปฏิบัติมีหนึ่งคือเมื่อพิจารณาข้อใดข้อหนึ่งจะพิจารณาอนิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้อนัตตก็ได้เพียงอย่างเดียวในเวลาปฏิบัติถ้าผู้ใดมีอุปนิสัยในการพิจารณาอนิจจังเมื่อพิจารณาอนิจจังแล้ววิปัสสนาญาณเดินได้สะดวกก็ให้พิจารณาอย่างนั้นแล้วทุกขังกับอนัตตก็จะปรากฏให้เห็นด้วย สมมุติเรานั่งปวดหัวเข่าเลอะเกินพิจารณาทุกขังเมื่อเห็นทุกขังชดัดเจนแล้วก็จะเห็นอนิจจงด้วยเห็นอนัตตาด้วยบางท่านก็มีอัธยาศัยในการพิจารณาอนัตตาเมื่อพิจารณาอนัตตาแล้ววิปัสสนาญาเดินได้สะดวกก็ให้พิจารณาอนัตตาไปแล้วเมื่อเห็นอนัตตาชัดเจนแล้วก็จะเห็นอนิจจงด้วยเห็นทุกขังด้วย เห็นทั้งสามอย่างเราปฏิบัติอย่างเดียวพอเห็นก็จะเห็นทั้งสามอย่างเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าปฏิเวทมีสามปฏิเวทคือการบรรลุการได้ผลการได้รับผลผลของการปฏิบัติคือปฏิเวทก็จะได้ทั้งสามอย่างปฏิบัติอย่างเดียวแต่ก็ได้ทั้งสามอย่างในบางแห่งพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ยะดาณิจจังตังลุก ข, ขังยงังลุกขังตังอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตามีความสัมพันธ์กันอยู่ยะดาณิจังตังลุก ข, ขังตังอนัตตายะดาอนัตตาตังเนตังมะมะเนโสหะมัสสมินาะเมโสอัตตาติสิ่งใดเป็นอนัตตา ควรหรือจะยึดสิ่งนั้นว่าเป็นตนเป็นของตนสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาอันนี้การพิจารณาสามัคคณาญาณ น, นะครับญาณกําหนดพิจารณาไตรลักษณ์คือพิจารณานามรูปด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกและเป็นอนัตตาอันนี้ก็จะมาเข้าวิปัสสนาญาณกาัน ยานที่สี่อุทยพ ย, ายาัญาายานเห็นความเกิดและดับของรูปนามชัดเจนขึ้นไตรลักษณ์ชัดเข้าจิตจะดับวูบเป็นคราวราวผู้เจริญวิปัสสนาจะรู้สึกว่าวูบลงไปเหมือนคนตกจากที่สูงเพราะว่าจิตดับให้เห็นต่อหน้าต่อตาที่จริงความเกิดดับของนามมารูปนี้ก็มีอยู่ให้เห็นเสมออยู่แล้ว แต่ไม่ปรากฏแก่ผู้ไม่ได้เจริญวิปัสนาปรากฏชัดสำหรับผู้เจริญวิปัสนาเหมือนความชื้นในไอ้น้ำมีอยู่เสมอในอากาศแต่ไม่ปรากฏแก่เราทีนี้พอเอาแก้วน้ำแข็งมาวางไว้ความชื้นหรือไอ้น้ำก็จะปรากฏที่แก้วน้ำแข็งการเห็นความเกิดดับของรูปนามนี้มีประโยชน์กับจิตใจของเรามาก พระพุทธเจ้าได้ตรัสยกย่องบุคคลที่เห็นเช่นนี้ว่าเป็นผู้ที่มีชีวิตไม่เสียเปล่าแม้จะมีชีวิตอยู่วันเดียวก็ประเสริฐกว่าผู้ที่มีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีแต่ไม่ได้เห็นความเกิดดับของรูปนามเหมือนความแก่เราก็แก่ลงทุกวันเป็นทุกข์ให้เห็นอยู่ทุกวันแต่เรามักไม่กําหนดรู้ถ้าเรารู้มันก็เป็นวิปัสสนาจิต ขอแถมอุทยพยัญญ า, ยาอีกหน่อยตรงนี้วิปัสนูปกิเลสก็จะเกิดขึ้นวิปัสนูปกิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองของวิปัสนาบางทีก็เรียกอุทยพยานุปัสนาบางทีก็เรียกตรุณาวิปัสนาคือวิปัสนาอ่อนๆวิปัสนูปกิเลสจะเกิดขึ้นในยานนี้ เฉพาะท่านที่ปฏิบัติถูกต้องตรงตามแนวของวิปัสนาถ้าปฏิบัติผิดวิปัสนูปกิเลสจะไม่เกิดถ้าเทียบกับวิสุทธิเจอันนี้ก็จะตรงกับมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิคือความหมดจดของยานทัศนะที่พิจารณาว่าเป็นทางหรือไม่ใช่ทางเหมือนกับ ไปถึงทางสองแพร่งว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาว่าใช่ทางหรือไม่ใช่ทางถ้าล้าวิปัสสนุปะกิเลสได้ไม่ติดในวิปัสสนุปะกิเลสคราวนี้ก็จะเข้าทางที่ถูกต้องแล้ววิปัสสนาก็จะดำเนินต่อไปด้วยดีถ้าไปหลงอยู่ในวิปัสสนปะกิเลสก็ติดอยู่ในวิปัสสนปะกิเลส มันเป็นสิ่งย่วยวนให้ผู้บำเพ็ญวิปัสนาเข้าใจผิดผู้เจริญวิปัสนาในทางที่ถูกไม่ใช่เดินผิดทางแล้วก็ยังไม่ได้สำเร็จมากผลทาไปทาไปวิปัสนูปกิเลสคือทามที่เป็นเครื่องเศร้าหมองของวิปัสนาจะเกิดขึ้นวิปัสนูปกิเลสมี10ข้อด้วยกันคือหนึ่งโอภาสแสงสว่าง บางท่านก็เกิดขึ้นเพียงแต่ใกล้ๆที่นั่งบางท่านแสงสว่างก็ไกลออกไปทั่วห้องบางท่านก็ไกลหลายกิโลบางท่านก็สว่างมากกว่านั้นอันนี้ก็ไม่เหมือนกัน 2. ปีติความเอิบอิ่มใจสปัสปสธิความสงบกายกายสงบนุ่มนวลไม่แข็งกระด้างไม่เหน็ดเหนื่อยส่อธิโมความน้อมใจเชื่อ ศรัทธาแรงกล้าเกิดขึ้นห้ปักคาหะความเพียรรุดไปข้างหน้าไม่รู้สึกเบื่อนหน่ายทำความเพียรไปเรื่อยหกยานความรู้ใหม่เกิดขึ้นโดยที่เมื่อก่อนไม่เคยรู้มาก่อนแต่ก็เกิดความรู้ใหม่ๆขึ้นจากการทําวิปัสสนาอย่างนี้เจ็สุขความสบายกายสบายใจ แอุปัฐานอันนี้วิสุทธิมัคได้บอกว่าสติที่แรงกล้าสติแก่กล้าหรือว่าสติชัดเจนขึ้นมีความปรากฏของสิ่งต่างๆซึ่งต้องการจะรู้เห็นมันจะปรากฏให้เห็นเหมือนกับท่านที่ได้ทิพจักสุเห็นปรโลกอันนี้ก็เป็นหลุมพรางทําให้สนุกสนานเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่ได้เห็นก้าอุเบกขา ความวางเฉยสิบนิกันตะความใคร้ความพอใจพอใจในวิปัสสนานั้นเมื่อวิปัสนูปกิเลทั้ทงสิบประการนี้เกิดขึ้นผู้บำเพ็ญเพียรมักเข้าใจผิดว่าตนได้บรรลุมรรคผลแล้วและมักจะหลงไหลเพลิดเพลินอยู่กับวิปัสนูปกิเลสในที่สุดก็พลาดจากทางมีพระบางรูปเปรียบไว้ว่า วิปัสณูปกิเลสเหมือนดอกไม้ริมทางเดินทางไปพอเห็นดอกไม้สวยๆก็เพลินกับดอกไม้ทำให้เสียโอกาสสำหรับผู้ที่เดินถูกทางคือถนนที่จะไปนั้นต้องไปทางนั้นแหละจึงจะเห็นสิ่งนี้แต่ถ้าไม่ไปทางนั้นก็ไม่เห็นฉะนั้นผู้ที่บาเพ็ญวิปัสสนาเมื่อมาถึงตรงนี้ต้องพยายามมีสติสัมปชัญญะให้ดี คือต้องรู้ไปก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนี่คือความสาคัญของปริยัตหรือมีอาจารย์ใกล้ชิดตอบว่าสิ่งนี้คืออะไรมิฉนั้นผู้ที่ไม่รู้อิโนโออินเนมาทำวิปัสสนาพอมาเจอสิ่งต่างๆเข้าก็หลงไหลในสิ่งเหล่านี้คือคิดว่าได้บรรลุแล้วก็จะพลาดสิ่งดีงามที่มีอยู่ข้างหน้าอีกเยอะแยะ ฉะนั้นก็ต้องบำรุงสติสัมปชัญญะให้ดีขึ้นและคอยพิจารณาอยู่เสมอว่านี้ไม่ใช่ทางและพยายามละวิปัสณูปะเกเลสนั้นเสียทําความเพียรรุดหน้าต่อไปนี่ถ้าเทียบกับวิสุทธิ7นี่คือมัคคามัคยานทัศนาวิสุทธิคือความหมดโจอดแห่งความรู้เห็นว่าอะไรคือทางอะไรไม่ใช่ทาง คราวนี้รู้แล้วว่ามาถึงทางสองแพร่งควรจะไปทางไหนตรงนี้นี่เป็นปัญหาหลายคนตอนเป็นคราวดาอาจจะมีความรู้สูงอ่านตำรามากพอบวชก็อยากปฏิบัติเลยไม่ได้ศึกษาปริยัติแนวทางว่าปฏิบัติสมาธแล้วเป็นยังไงวิปัสสนาแล้วเป็นยังไงบวชเสร็จก็เดินทุดงเลยอันนี้ค่อนข้างอันตราย จะสังเกตว่าที่มีปัญหายุ่งยุ่งอยู่ก็มักจะเป็นพระคุณเจ้าที่พอบวชแล้วก็เข้าป่าเลยที่นี้ไปทำอะไรพอมีนิมิตเกิดขึ้นก็ตื่นเต้นโลดโผนเข้าใจว่านั่นแหละใช่แล้วอย่างที่บอกแล้วว่ามีสิ่งต่างๆปรากฏให้เห็นเหมือนมีที่ผจักสุมองเห็นปรโล ก, ก็เข้าใจว่าได้บรรลุแล้ว อยังอุปทานคือน้อมจิตไปเพื่อจะเห็นก็ได้เห็นซึ่งก็เป็นสิ่งเล็กน้อยสำหรับผู้บำเพ็ญวิปัสสนาเท่าที่ฟังมาก็พวกที่ติดสุกนั่งไปแล้วมันสบายเรื่องทั้งหลายที่เคยมีก็ไม่ได้คิดคือแค่ปีตินี่ก็เยอะแล้วทำให้คนลหลงไหลได้เยอะเพราะว่ามันเป็นอมานุสสีปีติปีติที่ไม่ใช่ของมนุษย์ธรรมดา ในสภาพที่เป็นมนุษย์มามีชีวิตมายุ่งอยู่กับงานกับการไม่เคยได้รับรสของความสงบซึ่งทำให้เกิดปีติที่มนุษย์ธรรมดาไม่เคยได้รับปีติห้าที่กล่าวไว้ในตำราจะมาหมดเลยบางทีก็รู้สึกเหมือนว่าตัวลอยบางทีก็ซ่านไปหมดมันให้รู้สึกชื่นชมอะไรได้หมดความพยาบาทความปองร้ายมันระ ง, งับไปได้หมด จิตใจจะรู้สึกสดชื่นบางคนก็หัวเราะ อ, อยู่ได้ตลอดเวลาคนเดียวถ้าเพื่อนอยู่ใกล้ห้องก็นึกว่าคนนี้เป็นบ้าที่จริงก็ด้วยอํานาจของปีตินั่นเองแต่ไม่เหมือนคนบ้าเพราะคนบ้าไม่รู้ตัวแต่คนได้ปีติในวิปัสสนาเขารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแต่บังคับไม่ได้ว่าจงอย่าหัวเราะ อ, อย่าเป็นอะไรตามที่ปีติมันเป็นไปเอง จนกว่าปีติจะคลายลงเมื่อคลายแล้วก็สงบยานที่ห้าเรียกว่าพังคยานยานที่เห็นความดับของนามรูปเนื่องจากการเกิดดับของรูปนามเกิดติดกันส่วนที่เกิดเห็นไม่ชัดต่อมาก็จะเห็นแต่ความดับอันเดียวหรือว่าอาการที่ดับนั้นเป็นที่สนใจมากกว่ามาสนใจในเรื่องความดับไม่สนใจเรื่องเกิดแล้ว เหมือนคนแก่ที่เห็นแต่ว่าสังขารร่วงโรยไปมันมองเห็นแต่ว่าร่างกายมันจะแตกดับไปอยู่เรื่อยตอนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาววัยกลางคนมันก็เห็นทั้งเกิดทั้งดับพออายุมากเข้ามากเข้าก็เห็นแต่ที่จะแตกดับข้างหน้าผมชอบบาลีที่ว่าดุกโคตินนาดุกขาปรเรตาเราทั้งหลายอย่างลงสู่ทุกข์แล้ว แล้วก็มีทุกข์ดักอยู่ข้างหน้าพอวัยสูงและสนใจในธรรมก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้มันไม่มีทางเลี่ยงด้วยนะครับต้องเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่มีทางเลี้ยวทางหลีกทางแยกมันต้องไปทางที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นทางบังคับบางคนนึกถึงความตายแล้วท้อแท้ห่อเหี่ยวอันนั้นไม่มีโยนิโสมนสิการ ถ้ามีโยนิสโสมนสิการก็จะมีความเพียรมากขึ้นอะไรควรทําก็รีบทําอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนในพัทเธกรัตตสูตรอัจเชวะกิจจมาตับปังความเพียรต้องรีบทําในวันนี้ทีเดียวโกชัญญามรณงสุเวใครจะรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนี้จะผัดเพี้ยนกับมัจจุราชก็ไม่ได้ เทียบให้ดูหยาบหยาบอย่างนี้ในยานที่ห้าก็จะเห็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ก็จะละนิมิตสามอย่างได้คือ 1. อุ ป, ปาทานิมิตความสัมพันธ์หมายว่าเกิด 2. ทิตินิมิตความสำคัญหมายว่าตั้งอยู่ 3. ปวตตนิมิตความสำคัญหมายว่าเป็นไปคงเหลือแต่เห็นความแตกดับอย่างเดียว เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้แล้วก็จะคลายความกำหนัดยินดีเสียได้เพราะพุทธเจ้าตรัสเตือนเอาไว้ว่ามัจจุราชคือความตายจะมองไม่เห็นผู้ที่พิจารณาโลกเหมือนฟองน้ำและพยับแดดฟองน้ำมันเกิดขึ้นแล้วมันแตกไปเร็วเกิดขึ้นแล้วก็แตกนั่นคือฟองน้ำพยับแดดก็เหมือนกันเรามองจากที่ไกลก็ดูเป็นตัวตน ดูเหมือนสิ่งที่จะจับต้องได้พอเข้าใกล้แล้วก็หายไปยานที่หกพยตูปัฏฐานญยานเห็นสังขารหรือนามรูปปรากฏเป็นของน่ากลัวเห็นสังขารในอดีตดับแล้วคำนึงถึงสังขารในอนาคตว่าคงต้องดับเหมือนกันท่านเตียบไว้คมคายน่าฟังว่า เปรียบเหมือนมารดาซึ่งมีลูกสามคนเป็นกระบฏต่อพระราชาเมื่อเห็นบุตรคนที่หนึ่งกับคนที่สองถูกสั่งประหารชีวิตแล้วก็ทอดอาลัยในบุตรคนที่สามปรงใจว่าคงจะถูกประหารชีวิตเช่นเดียวกันผู้บำเพ็ญวิปัสสนาพิจารณาเห็นสังขารเป็นของน่ากลัวเหมือนเห็นหลุมฐ่านเพลิงที่ลุกโชนช่วง เห็นเหล่าที่แหลมคมคือเห็นสังขารเห็นรูปเห็นนามปรากฏเป็นภัยเป็นสิ่งน่ากลัวสังขารที่เกิดในอดีตก็ดับแล้วที่เกิดในปัจจุบันก็ดับแล้วที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คงดับไปเหมือนกันอย่างการเกิดของเด็กโดยทั่วไปก็ว่าน่ารักน่าชื่นชมยินดีแต่ถ้าพิจารณาแล้วก็คือก้อนทุกก้อนหนึ่ง ซึ่งเขาจะต้องเผชิญความทุกข์ของเขาต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบหสิปีหรือเท่าที่เขามีชีวิตอยู่คือในสายตาของวิปัสสนาทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับอันนี้ท่านเลงไปถึงขันห้าขันห้าเกิดขึ้นทุกก็เกิดขึ้น ขันห้าตั้งอยู่ทุกก็ตั้งอยู่ขันห้าดับไปทุกก็ดับไปยานที่เจ็ดอาธีนวายานเห็นโทษของสังขารทั้งปวงไม่ปราถนาสังขารทั้งปวงขึ้นชื่อว่าสังขารแล้วเป็นทุกทั้งนั้นสัพเบสังขาราดุขขาสังขานี้หมายถึงสังขารทั้งหมดทั้งที่มีใจครองและไม่มีใจครอง ทั้งอุปาทิน ก, กะและอนุปาทิน ก, กะครบทั้งสามปรากฏเป็นเหมือนหลุมฐานเพลิงสังขารทั้งปวงปรากฏเหมือนหัวฝีเหมือนลูกศรเป็นโรคร้ายเป็นสิ่งที่น่าคับแค้นไม่มีรสเต็มไปด้วยกองแห่งโทษนานาประการเหมือนป่าชัดแม้จะมีอาการว่าหน่ารื่นรมแต่ก็เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิดน้ำเหมือนมีจระเข้หรือปลิง อาหารประดุดเจือด้วยยาพิษที่อยู่อาศัยเหมือนถูกไฟไหม้จึงไม่ยึดมั่นผูกพันด้วยตันหาอุปาทานอันนี้คือลักษณะของอาทินวายาณยานที่8นิพถายานยานที่เกี่ยวกับความเบื่อน า, นายเกิดขึ้นคือว่าไม่ต้องการพบหรือกำเนิดใดๆเพราะเห็นว่ามีพบก็มีทุกข์ตามมาด้วย จิตก็น้อมไปในความสงบมากขึ้นพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าอุจจาระก็ตามปัสสาวะก็ตามแม้จะมีจำนวนน้อยเท่าไหร่ก็มีกลิ่นเหม็นพบจะมีเล็กน้อยเท่าไหร่ก็เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์คือยังมีพบก็ยังมีทุกข์ไม่ว่าจะเป็นพบไหนนจึงว่าพบทั้งสามปรากฏเหมือนหลุมฐานเพลิง ฉะนั้นใครที่คิดว่าพระพุทธเจ้าไปอยู่ในภพภพหนึ่งอย่างนี้ก็คงไม่ได้เพราะแสดงว่าพระองค์ยังมีทุกข์อยู่พระองค์เป็นผู้ที่ดับภพบได้เด็ดขาดแล้วเพราะว่านิโรโทรนิพา น, นังการดับภพบนั่นแหละคือนิพพานมีผู้สงสัยว่านิพพิทากับวิภวตัณหานี่มันต่างกันอย่างไรคือบางคนเขาบอกเขาเบื่อเป็นนิพพิทาไหม ลองชี้ให้ดูว่าความเบื่อในลักษณะของนิพพิทากับความเบื่อที่คนส่วนมากบ่นว่าเบื่อต่างกันอย่างไรข้อต่างที่เห็นชัดก็คือว่าถ้าเบื่อแล้วสงบนั่นคือนิพพิทาถ้าเบื่อแล้วหงุดหงิดรำคาญ ร, ระอิดระอาขว้างหูขวางตาอันนั้นไม่ใช่นิพพิทาแต่เป็นวิภาวะกัญหา วิภวะตัณหาเป็นความอยากที่ประกอบด้วยโทสะเป็นกิเลสสายโทสะหงุดหงิดไม่พอใจไม่ยินดีอยากเหมือนกันแต่เป็นอยากในทางผลักเป็นเนกาทีฟอยากจะทําร้ายเขาส่วนภาวะตัณหานี้ดึงเข้ามาอยากได้อยากเป็นอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่แต่ต้องดูที่ตัวเร่งตัวโมเทฟด้วย เช่นถ้าอยากประพฤติธธ ร, รมไม่เป็นตัญหาแต่ถ้าโมทีเป็นตัญหาก็จะเป็นตันหาเช่นอยากได้เงินเดือนขึ้นก็ต้องดูว่าอยากได้เงินเดือนขึ้นเพราะอะไรเช่นเพราะอยากได้ไปเที่ยวครับเที่ยวบาร์อยากสนองกิเลสต่างๆความอยากอันนี้เป็นตันหาแต่ถ้าอยากได้เงินเดือนขึ้นโดยปรารพว่า แม่ก็ป่วยน้องก็เรียนหนังสือถ้าได้เงินเดือนขึ้นก็จะได้เอาไปเกื้อกูลแก่พ่อแม่น้องนี่มันเป็นธรรมชนทะยานที่เกมุญจิตตุกรรมยตายานแปลว่าต้องการความหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงคือหลังจากยานที่8ปดซึ่งเป็นยานที่เบื่อหน่ายไม่ต้องการพบหรือกำเนิดใดๆ เพราะเห็นว่ามีพบก็มีทุกตามมาด้วยเมื่อมาถึงยานที่เก้าก็ต้องการที่จะหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงจากสังขารทั้งปวงท่านเปรียบว่าเหมือนเขียดที่อยู่ในปากหมูเหมือนหนูที่อยู่ในปากแมวเนื้อที่ติดบ่วงคนที่ติดคุกก็อยากจะหลุดอยากพ้นไม่อยากอยู่ในนั้นก็เห็นชัดเจนมาแล้วตั้งแต่อาทีนวายาน นิพพิทายานแล้วก็มาถึงญาณที่9ต้องการจะพ้นไปมีคนถามเสมอว่ามีเขียดอยู่ในปากงูแล้วเราจะไปช่วยเขียดได้บุญหรือได้บาป ก, ก็น่าจะได้ทั้งสองอย่างในส่วนที่ช่วยเขียดก็ได้บุญส่วนที่ไปแย่งงูก็ได้บาป ก, ก็ช่างดูบุญบาปไหนจะมากกว่ากันเหมือนฆ่าไก่ไปใส่บาดส่วนที่ฆ่าไก่ก็เป็นบาป ส่วนที่ใส่บาทก็เป็นบุญก็เป็นบุญคละบาปจิตดวงแรกเป็นกุศลว่าจะใส่บาทแล้วก็เห็นไก่ว่าน่าจะทำอาหารไปใส่บาทก็เป็นอากุศลเหมือนอาบน้ำคโคลนมันก็เย็นๆบ้างแต่ก็ไม่สะอาดทีนี้เราจะใช้อุเบขาว่าสัปเบสตากรรมั ส, สกาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนถ้าอย่างนี้ถึงคราวที่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันล่ะ สมมติคนกินยาบ้าแล้วไปจับตัวผู้หญิงเป็นตัวประกันแล้วเราจะสับรส ต, ตากมัส ก, กาไหมมันก็ไม่ได้ต้องช่วยแล้วฉะนั้นถ้าช่วยได้ก็ช่วยเถอะเขียดมันดิ้นอยู่ในปากงูมันคงเจ็บก็ชีวิตหนึ่งก็ช่วยเถอะหรือที่ว่าฆ่าไก่ไปใส่บาตรก็แล้วแต่พระถ้าพระมีคุณธรรมสูงมากก็อาจจะได้บุญมากก็ได้ การฆ่าไก่ก็อุทิศส่วนกุศลให้ไก่ไปด้วยแต่ถ้าพระรู้อยู่ว่าเขาฆ่ามาเพื่อท่านท่านห้ามฉันอยู่แล้วหรือพระมาอยู่แถวบ้านเห็นไก่อยู่ตัวหนึง่งพอรุ่งเช้าได้รับถวายแกงไก่ท่านสงสัยว่าเอ๊ะไก่ตัวเมื่อวานหรือเปล่าเมื่อท่านสงสัยท่านฉันไม่ได้ยานที่สิบปฏิสังขารยาน การพิจารณาเพื่อให้พ้นไปจากรูปนามหรือสังขารหน้าเบื่อ น, นายเปรียบเหมือนคนหาปลาจับเอาสัตว์ชนิดหนึ่งที่แรกก็ดีใจคิดว่าเป็นปลาแต่พอยกขึ้นพิจารณาก็เห็นเป็นงูดึงตกใจคว้างไปให้พ้นคนทั้งหลายโดยธรรมดาก็ยินดีพอใจในสังขารเหมือนคนจับปลาพอใจในปลาแต่สังขารเป็นสิ่งที่มีทุก โทษมากเหมือนงูผู้เบื่อหน่ายในสังขารจึงต้องการพ้นไปเสียและพิจารณาหาทางเพื่อความพ้นผู้บําเพ็ญวิปัสสนาเมื่อมาถึงตรงนี้ก็จะปฏิบัติอย่างขมักขมิ่นยิ่งขึ้นเมื่ออยากจะพ้นก็พิจารณาหาทางที่จะพ้นไปทีแรกก็นิยมชมชอบในสังขารเหมือนคนที่ไปจับปลาคิดว่าเป็นปลา แต่พอยกขึ้นมาเป็นงูสังขารของเราถ้าไม่พิจารณาก็จะเป็นปลาพอพิจารณาเข้าก็จะเป็นงูคนเราทุกวันนี้แม้ร่างกายจะชุดโสมก็ยังรักยังเห็นว่าเป็นปลาไม่เห็นเป็นงูสักทีคือปฏิสังขารยาณยังไม่ปรากฏรายการทีวีออกมาแขกรับเชิญมาพูดเรื่องร่างกายจะอดข้าวอดน้ํำยังไง คือกลัวไม่สวยก็คุยกันเรื่องพวกนี้ก็ยังจับปลาอยู่เรื่องพวกนี้ก็ทำให้มีอาชีพเยอะทำน้ำหอมทำสมุนไพรมารลูบไล้ร่างกายปรนเปรงูอยู่ปีหนึ่งเป็นแสนแสนล้านล้านถ้า ง, งดเรื่องนี้ได้จะช่วยได้เยอะลิปสติกแท่งหนึ่งก็หลายร้อยบาทคนมองไม่เห็นว่าสังขารเป็นศัตรูท่านเปรียบไว้โดยตรงเลยว่า ขันหเหมือนศัตรูที่แอบเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็ทำให้เจ้าของบ้านตายใจจนหลงรักแล้วก็ปล้นหรือฆ่าเจ้าของบ้านบางทีการครบคนก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันคบคนบางทีเราก็คิดว่าเป็นปลาพอเข้าใกล้พอสมาคมด้วยกลายเป็นงู นิทานเรื่องฤาษีเลี้ยงงูท่านก็เลี้ยงเอาไว้แต่เล็กๆใส่กระบอกเอาไว้แล้วหาอาหารมาให้มันกินมันก็อยู่เพราะว่าได้อาหารฤาษีคนอื่นเขาเตือนว่าอย่าเลี้ยงงูท่านบอกไม่ได้ผมรักมันเหมือนลูกวันหนึ่งออกป่าไปหาผลาผลหลายวันแล้วกลับมาพอกลับมาก็รีบไปหาลูกเพื่อจะเอาอาหารไปให้มันแย่เข้าไปมันก็กัดเข้าให้ตายทันทีเลย นี่คือคบคนในสังคมบางทีเราก็ดูเขาไม่ออกว่าเขาเป็นอะไรเป็นงูหรือไม่ใช่งูพอไปไปก็เป็นงูฉกกัดเอาตายมาเยอะพระสองฆ์องค์เจ้าบางทีก็ถูกฉกตายหรือปางตายเป็นมิตรกันมาแต่พอถึงคราวบางทีก็ถูกกัดเอาอันตรายของสังขารจะปล่อยจะละก็อยู่ตรงนี้ ก็เลี้ยงดูมันพอสมควรเลี้ยงเอาไว้ทําประโยชน์ยังทําประโยชน์ได้ก็เลี้ยงเอาไว้ถ้าทําประโยชน์ไม่ได้ก็ไปเถอะอยานที่สิอสังขารุเปกขายานด้วยเห็นว่าเป็นทางของความหลุดพ้นคือไม่รักไม่ชังไม่หวงแหนไม่ยึดถือท่านเปรียบเหมือนชายที่หย่าขาดจากภรรยาแล้วไม่สนใจต่อเธออีกต่อไป เมื่อถึงยานนี้สติปัญญาจะดีขึ้นรู้สึกปลอดโปรง่งจิตใจสงบดีมากความรู้สึกต่างๆละเอียดสุขขมลมหายใจจะเบาลงมากเพราะจิตละเอียดนั่นเองสังขารในที่นี้หมายถึงเบญจขันรูปและนามจะเรียกว่านา ม, มารูปก็ได้ยานที่ส2องอนุโลมยานใช้เต็มว่าสัจจานุโลมิกยาน แปลว่ายานอนุโลมอริยสัจคือความรู้เห็นตามความเป็นจริงตามที่ยานทั้งหลายทุกประการข้างต้นประมวลมาให้เห็นท่านเปรียบว่าเหมือนผู้พิภาคษาที่พิจารณาคดีตามข้อมูลที่มีผู้เสนอมาอย่างถูกต้องแล้วก็ตัดสินได้ว่าใครผิดใครถูกสามารถตัดสินคดีได้อย่างถูกต้องตามเหตุผลได้อย่างแท้จริง พระราชาที่ประทับนั่งอยู่ด้วยก็ทรงเห็นด้วยทุกประการอนุโลมยานเปรียบเหมือนพระราชาส่วนยานอื่นๆเปรียบเหมือนคณะผู้พิพากษาเหมือนพระราชานั่งฟังอยู่เขาประมวลมาดีที่สุดแล้วก็ทรงอนุโลมตามยานที่13โคตรภูยานเห็นอริยสัจแล้วนะครับต่อไปจะเข้ายานที่สิบสา จะไม่ถอยกลับแล้วนะครับเรียกว่าโคตรตภูยานยานครอมโคดคือเป็นช่วงเวลาที่จิตกำลังเปลี่ยนสภาพจากความเป็นปุถุชนมาสู่ความเป็นอริยชนระหว่างนั้นจะเรียกว่าเป็นปุถุชนก็ไม่ใช่เป็นอริยชนก็ไม่ใช่เหมือนช่วงเวลาที่ใกล้รุ่งหรือใกล้คำ่ำเป็นกึ่งกลางระหว่างกลางวันกับกลางคืน โผลเพลย์นะครับหรือเหมือนคนข้ามแม่น้ําด้วยเรือเมื่อเรือเทียบท่าแล้วขาข้างหนึ่งอยู่บนฝั่งขาข้างหนึ่งยังอยู่ในเรือเราก็เรียกไม่ได้ว่าเขาอยู่ในเรือหรืออยู่บนฝั่งเมื่อขาข้างหนึ่งถอนขึ้นจากเรือยืนบนฝั่งแล้วก็เป็นผู้ข้ามเรือได้แล้วยืนบนฝั่งแล้วนี่ก็เป็นกระบวนการวิวัฒนาการสำหรับสิ่งทั่วไปคือว่า มันค่อยๆแปลสภาพไปทีละน้อยค่อยๆแปลไปเหมือนตัวแก้วที่จะแปลเป็นผีเสื้อมันค่อยๆเปลี่ยนสภาพไปทีละน้อยทีละน้อยอย่างบางคนมาสนใจทำก็จะเปลี่ยนจากปุถุชนมาเป็นกัลยาณปุถุชนเขาก็จะสงสัยว่าทำไมจึงไม่เป็นเหมือนอย่างเมื่อก่อนรู้สึกแปลกใจตัวเองเพื่อนฝูงก็แปลกใจมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไง ถ้ามาถึงตรงนี้แล้วจะไม่กลับคนได้โคตระภูยานนี้ไม่มีการถอยกลับมุ่งหน้าสู่พระนิพพานอย่างเดียวแต่คนข้ามเรืออาจจะถอยกลับได้นี่ข้อแตกต่างระหว่างคนข้ามเรือกับโคตระภูยานยานที่สิบสี่มกคยานยานในมรคยานที่ทำหน้าที่ตัดกิเลสเหมือนยาเข้าไปตัดโรคอย่างดิดขาด ไม่เกิดโรคขึ้นอีกมรรคยานเกิดขึ้นแล้วจะปิดอบายได้โดยประการทั้งปวงยานนี้ไม่ถอยกลับอีกผู้มาถึงขั้นนี้แล้วเป็นโสดาบันแน่นอนมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานี่ได้มรรคยานแล้วยานที่15บห้าผลเลยียนยานในผลคือสืบเนื่องมาจากมรรคยานนั่นเอง เหมือนความสุขสบายที่เป็นผลของการหายจากโรคในที่นี้หมายถึงพ้นจากโรคคือกิเลสกิเลสนั้นไม่กลับกำเริบขึ้นอีกที่เรียกว่าอากุปปาวิมุตต์หรือนิพพานก็ปรากฏขึ้นในลาดับนี้คือเป็นความสุขสบายที่ยั่งยืนตลอดไปไม่ต้องทุกข์ทรมานเพราะเรื่องนั้นอีกญานที่16ปัจเจเวขณะยาน คือญาณที่พิจารณากิเลส ท, ที่ละได้แล้วและกิเลส ท, ที่ยังไม่ได้ละสำหรับพระอริยบุคคลสระดับคือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีนั้นก็มีปัจจเวคขณะญาณสองส่วนคือส่วนที่ละแล้วกับส่วนที่ยังไม่ได้ละแต่พระอาราหันต์มีปัจจเวคขณะญาณอย่างเดียว คือพิจารณากิเลสที่ละแล้วกิเลสที่ยังไม่ได้ละไม่ต้องพิจารณาเพราะไม่มีทำไมต้องพิจารณากิเลสที่ละแล้วเปรียบเหมือนคนข้ามฝัง่งพอข้ามฝั่งได้แล้วก็ดูไปข้างหน้ายังมีแม่น้ำอีกสายหนึ่งที่จะต้องข้ามแล้วก็หันมาดูแม่น้ำที่ข้ามไปได้แล้วว่าเราข้ามมาได้อย่างไรแล้วต่อไปจะข้ามต่อไปอย่างไร อันนี้เรียกว่าพิจารณาทั้งฝ่ายที่ละมาแล้วและฝ่ายที่ยังไม่ได้ละถ้าสายที่สี่ข้ามเรียบร้อยแล้วมองไปข้างหน้าไม่มีแม่น้ำที่จะข้ามอีกต่อไปก็หันไปดูเฉพาะแม่น้ำที่ข้ามมาแล้วนี่คือพระอรหรันต์